สิกขาบทที่7เรื่องพระชัพขี5 9าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุจน์พัคีเดินแกวงแขนห้อยแขนไปในละแวกบ้านพระบัญญัติเจ็ดพึงทำความสำเนียกว่าเราจะไม่เดินแขวงแขนไปในละแวกบ้านเรื่องพระชับีจบสิกขาบทวิพัง ภิกษูไม่พึงแกว่งแขนไปพึงเดินประคองแขนไปในละแวกบ้านภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อแกว่งแขนหรือเดินห้อยแขนไปในละแวกบ้านต้องอาบัติทุกกฏอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ1นภิกษูไม่จงใจ2อภิกษูไม่มีสติ3าภิกษุผู้ไม่รู้4ีภิกษูผู้เป็นไข้5้ภิกษูผู้มีเหตุขัดข้อง6กภิกษูวิกลจริต7จภิกษูต้นบัญญัติ สิขาบทที่เจ็ดจบ